เจริญพรท่านผู้มีเจตเมตตากรุณาใจบุญใจกุศลทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันที่หมกราคมพุทธศักราชส5งราเป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาพัฒนาชีวิตจิตใจ ให้เจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองเพื่อจะได้เป็นไปตามความต้องการของพวกเราพวกเราทุกคนปรารถนาความสุขความเจริญเราก็ต้องสร้างเหตุที่ทำให้เกิดความสุขและความเจริญเพราะความสุขและความเจริญนี้เป็นผลที่เกิดจากเหตุ เหตุก็คือการกระทาของเราทางกายทางวาจาและทางใจถ้าเรามีเหตุดีผลก็จะดีถ้ามีเหตุไม่ดีผลก็จะไม่ดีไม่ได้อยู่ที่พระพรมไม่ได้อยู่ที่พระพุทธเจ้าไม่ได้อยู่ที่พระสาวกทั้งหลายที่จะมาทำผลดีให้แก่ชีวิตของเราแต่อยู่ที่ตัวเราเอง ที่จะต้องสร้างเหตุที่ดีแล้วผลที่ดีก็จะตามมาเหตุที่ดีก็คือการคิดดีพูดดีทาดีถ้าเราไม่คิดดีพูดดีทำดีเราก็จะไม่ได้ผลที่ดีคือความสุขและความเจริญดังนั้นเราต้องมาศึกษาว่าการที่เราจะ คิดดีพูดดีทําดีได้นั้นเราจะต้องทําอย่างไรเราก็ต้องดูคนที่เขาได้พบกับความสุขและความเจริญมาแล้วเช่นพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายท่านได้พบกับความสุขที่สูงสุดความเจริญที่สูงสุดด้วยการกระทําดีพูดดีคิดดี ท่านคิดยังหมถึงคิดดีท่านคิดว่าบาป ม, มีจริงบุญมีจริงนรกมีจริงสวรรค์มีจริงการเวียนว่ายตายเกิดมีจริงและการสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดก็มีจริงพอท่านคิดอย่างนี้แล้วท่านก็จะพูดท่านก็จะทำเพื่อให้เกิดผลดีถ้าพูดแล้วทำแล้วเกิดผลเสีย ท่านก็จะไม่พูดเช่นคิดอย่างไรพูดอย่างไรทำอย่างไรถึงทาให้เกิดผลเสียขึ้นมาก็คิดจะฆ่าสารนักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีพูดปดเสพสรายาเมาเล่นการพรนันเที่ยวกลางคืนคบคนชั่วเป็นมิตรความเกลียดคร้านนี่คือความคิดที่ไม่ดี ถ้ามีความคิดอย่างนี้แล้วก็ต้องระ ง, งับทันทีเพราะถ้าไม่ระ ง, งับเดี๋ยวก็จะออกไปทางกายทางวาจาก็จะไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไปรักทรัพย์ไปประพฤติผิดประเวณีไปโกหกหลอกลวงไปเสพสุรายามเมาไปเล่นการพ น, นันไปเที่ยวกลางคืนไปคบคนไม่ดีเป็นมิตรไปมีความเกลียดคร้านพอ การกระทำเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วผลเสียหายก็จะตามมาผลเสียหายส่วนแรกก็คือภายในใจเวลาเราทำบาปเราก็จะไม่สบายใจมีความวุ่นวายใจวิตกกังวลกลัวว่าจะถูกจับไปลงโทษแล้วต่อไปเวลาตายไป <c oughs> ก็จะต้องไปใช้กรรมในอบายต่อไป ไปนรกนี่แหละคือเหตุที่จะพาให้ไปสู่นรกกันพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เราละบาปอย่าทำบาปอย่าเข้าไปเกี่ยวข้องกับอบายามุขเพราะอบายามุขนี้จะเป็นผู้ที่จะผลักดันให้เราไปทำบาปต่อไปเพราะอบายามุขนี้ไม่มีรายได้มีแต่รายจ่ายมีแต่จะเสียทรัพย์เสีย เวลาเสียสุขภาพถ้าไปเกี่ยวข้องกับอาบายามุกแล้วเมื่อเราไม่มีทรัพย์ทรัพย์หมดเราหาทรัพย์แบบสุดจริตไม่ได้เราก็ต้องไปทําบาปทํากรรมไปรักทรัพย์บ้างไปโกหกหลอกลวงบ้างไปฆ่าผู้อื่นบ้างเพื่อที่เราจะได้มีทรัพย์มาเสกอาบายามุกต่อไป ถ้าเราไม่สามารถที่จะเสพได้เราก็จะทุกข์จะทรมานใจจะไม่มีความสุขเพราะชีวิตของเราไปติดอยู่กับสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยแก่จิตใจของพวกเราอาบายามุกเหล่านี้เราสามารถหลีกเลี่ยมได้ไม่อยู่ไม่เสพได้เพราะคนที่ไม่เสพก็มีเยอะแยะไป คนที่ไม่เสพอบายามุขนี้เขาสบายเขาไม่ดิ้นหนนไม่ทุ่นหมายไม่ต้องไปดิ้นหนนหาเงินมาเดินราหาเงินมาเล่นการพนันหาเงินมาเที่ยวนี่และเป็นสิ่งที่เราควรที่จะรู้ว่าเป็นภัยเป็นเหมือนยาพิษเป็นเหมือนงูพิษพวกเราอย่าเข้าใกล้ไปเป็นอันขาดเพราะถ้าเข้าไปเกี่ยวข้องแล้ว ต่อไปเราก็จะต้องไปทําบาปต่อไปข้าสั์ไปรักทรัพย์ไปพระพุทธผิดประเวณีไปโกโหกหลอกลวง mm hmm. แล้วก็จะมีแต่ความเสียหายมีแต่ความทุกข์ตามมา mm hmm. ดังนั้นขอให้พวกเราพยายามหลีกเลี่ยงก <c oughs> าร <c oughs> ที่เราจะไปเสพอบายมุขต่างๆให้เราหันมาทำความดีกันดีกว่า การทำความดีจะทำให้ใจของเรามีความสุขตายไปก็จะได้ขึ้นสวรรค์การทำความดีทำอย่างไรก็คือการทำประโยชน์การให้ความสุขแก่ผู้อื่นนั่นเองเราถ้าอยากจะมีความสุขเราต้องแบ่งความสุขให้แก่ผู้อื่นแล้วความสุขนั้นก็จะกลับมาหาเราถ้าเราไม่แบ่งความสุขให้แก่ผู้อื่น ความสุขนั้นก็นจะไม่มาหาเราเรามีอะไรพอที่จะช่วยเหลือคนอื่นได้คนที่เขาตกทุกข์ได้ยากลาบากลาบนอดอยากขาดแคลนต้องการความช่วยเหลือขอให้เราช่วยเขาไปเถิดแล้วจะทำให้เรามีความสุขใจทาให้ใจของเรามีความเมตตากรุณา เราจะไม่คิดร้ายต่อผู้อื่นจะไม่ชอบเบียดเบียนผู้อื่นจะไม่ชอบฆ่าสัตว์รักษาประพฤติผิดประเวณีพูดปลดมดเทศเสพสุรายามเมานี่คือ<ม>การกระทาที่เราควรที่จะพยายามกระทาให้มากๆกกระทำให้บ่อยๆเพราะจะเพิ่มความสุขภายในใจของเรา ให้มีมากขึ้นไปจะยกระดับจิตใจของเราให้สูงขึ้นจากมนุษย์ก็จะไปเป็นเทพจากเทพก็จะไปเป็นพรหมเป็นพระอริยบุคคลขั้นต่างๆ ต, ต, ต่อไปทั้งหมดนี้อยู่ที่การกระทาของเราเป็นหลักโดยอาศัยความรู้ของผู้อื่นเช่นความรู้ของพระพุทธเจา้าความรู้ของภาษาวกทั้งหลาย ที่ได้ศึกษาได้ปฏิบัติจนพบเหตุที่จะนำพาชีวิตให้ไปสู่ที่ดีที่จเจริญที่ก้าวหน้านำพาชีวิตให้อยู่ห่างไกลจากความเสื่อมเสียจากความทุกข์ทั้งหลายเราต้องเข้าหาผู้รู้เช่นพระพุทธเจ้าพระสงสาวกด้วยการ ฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆ เ, เวลาเราฟังเราก็จะได้ยินได้ฟังเรื่องที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนเมื่อเราได้ยินได้ฟังบ่อยๆเราก็จะเกิดความเข้าใจดีขึ้นไปแล้วเราก็จะกระจัดความสงสัยได้เช่นเราสงสัยเรื่องนรกมีจริงหรือไม่สวรรค์มีจริงหรือไม่ เราตายแล้วเราไปเกิดใหม่หรือไม่ถ้าเราเหมั่นฟังเทศฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าหรือจากพระสงฆ์สาวกบ่อยๆเราก็จะหายสงสัยเราจะรู้ว่าสวรรค์มีจริงนรกมีจริงตอนนี้เราไม่รู้เพราะเราไม่รู้ว่าสวรรค์คืออะไรนรกคืออะไรนั่นเอง สวรรค์ก็คือความสุขใจนรกก็คือความทุกข์ใจนสวรรค์ไม่ได้เป็นสถานที่อย่างกรุงเทพหรือพัทยาไม่ได้เป็นสถานที่แต่เป็นสถานภาพของจิตใจของพวกเราเวลาพวกเราทำบุญทำความดีใจของเราก็มีความสุขความสุขใจนี้คือสวรรค์ เวลาเราทำบาปทำสิ่งที่ไม่ดีเราเกิดความทุกข์ใจเกิดความร้อนใจขึ้นมาความทุกข์ใจความร้อนใจนี่คือนรกแล้วมันก็จะสะสมไปเรื่อยๆเพราะในแต่ละวันนี้เราก็จะมีการกระทำบาปบ้างมีการทำบุญบ้างเราก็จะเพิ่มสวรรค์เพิ่มนรกเข้าไปไว้ในใจของเรา ที่เราเล็กเถียน้อยเวลาเราตายไปใจของเราก็จะกลายเป็นสวรรค์กลายเป็นนรกไปอันนี้แหละคือนรกคือสวรรค์อยู่ที่ตัวเราอยู่ที่ใจของเราถ้าเราทำบุญมากๆใจของเราก็จะเป็นสวรรค์ถ้าเราทำบาปมากๆใจของเราก็จะเป็นบาปบากกับบุญนี้ก็จะมา ต่อสู้กันจะมาแย่งใจของเราแย่งใจของเราเพื่อเอาไปทำให้เป็นสวรรค์หรือทำให้เป็นนรกถ้าเราถ้าเราทำบาปมากกว่าทำบุญบุญก็จะสู้บาปไม่ได้ใจของเราก็จะเป็นนรกขึ้นมาถ้าบาปมีน้อยกว่าบุญบุญก็จะมีกำลังมากกว่า ที่จะสร้างสวรรค์ให้เกิดขึ้นไปภายในใจได้สวรรค์และบุญก็จะผัดกันมาปรากฏขึ้นมาในใจของเราตามกำลังของบุญและบาปที่เราทำกันไปเวลาเราตายไปเราก็ไปรับผลของบุญของบาปที่เราทำกันพอบุญกับบาปไม่มีกำลังที่จะผลิตสวรรค์หรือผลิตนรก ให้แก่ใจของเราได้ใจของเราก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็กลับมาสร้างบุญสร้างบาปสร้างสวรรค์สร้างนรกกันใหม่เราก็จะเวียนว่ายตายเกิดไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะได้มาพบกับพระพุทธศาสนาได้พบกับคำสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนให้เรารู้ว่าเราไม่จำเป็นที่จะต้อง กลับมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่อย่างซ้ำซากอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆถ้าเราปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงปฏิบัติได้ก็คือต้องควบคุมจิตใจให้สงบไม่ให้เกิดความอยากถ้าใจไม่มีความอยากแล้วก็จะไม่มีผู้ที่จะลากจูงใจให้ไปเกิดใหม่ การไปเกิดใหม่นี้เกิดจากความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของเราถ้าเราไม่อยากที่จะไปเกิดใหม่เราก็ต้องหยุดความอยากต่างๆให้ได้การที่เราจะหยุดความอยากต่างๆให้ได้เราก็ต้องทำบุญละบาปก่อนทำบุญให้มากละบาปให้มากแล้วเราจะมีกำลังที่จะมาต่อสู้ กับความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในใจถ้าเรายังไม่ได้ทำบุญยังไม่ได้ละบาป ก, การที่เราจะหยุดความอยากนี้จะเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ยากหรือเป็นไม่เป็นไปไม่ได้เลยดังนั้นในเบื้องต้นพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้พวกเราหมั่นทำบุญกันทำความดีกันทําประโยชน์ทําความสุขให้แก่ผู้อื่นแล้วละการทาบาป ก็คือละการกระทาโทษให้แก่ผู้อื่นอย่าไปทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนลำบากเจ็บปวดตายอย่างนี้ทำให้ผู้อื่นเขามีความสุขแล้วเราจะมีกำลังที่จะมาต่อสู้กับความอยากที่เป็นตัวที่จะคอยปรักดันให้จิตใจของเรานี้ต้อง ไปเวียนว่ายตายเกิดอย่างไม่มีวันจบไม่มีวันสิ้นต้องไปเกิดในนรกบ้างต้องไปเกิดในสวรรค์บ้างแล้วก็ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์มาแก่มาเจ็บมาตายมาทุกข์อย่างที่พวกเราเป็นอยู่กันทุกวันนี้เรามีทางออกเราสามารถที่จะลบล้างสิ่งที่ไม่ดีต่างๆ ที่มีอยู่ภายในใจให้หมดไปได้ลบความทุกข์ออกไปลบนรกออกไปเก็บไว้แต่สวรรค์เก็บไว้แต่สิ่งที่ดีให้มีอยู่ในภายในใจของเราด้วยการกระทาของเราตามคำสอนของนักปราชญ์ของคนฉลาดอย่างพระพุทธเจ้าถ้าเราไม่เชื่อพระพุทธเจ้าแล้วเราก็จะ ไม่สามารถที่จะไปถึงสิ่งที่ดีที่งามไปสู่ความสุขความเจริญไปสู่สวรรค์ได้ถ้าเราเชื่อความโลภความโกรธความหลงความหยาดของเรามันก็จะลากให้เราไปอบายไปนรกดังนั้นเราต้องพยายามฝืนความคิดที่ไม่ดีที่จะฉุดลากให้เราไปทําสิ่งที่ไม่ดี แล้วพยายามบังคับใจของเราให้คิดไปในทางที่ดีให้ทำในสิ่งที่ดีแล้วผลที่ดีต่างๆก็จะตามมาให้เราดูตัวอย่างของพระพุทธเจ้าและของพระสาวกของพระอาจารย์ทั้งหลายที่ท่านได้นำเนินชีวิตไปอย่างดีงามนำเนินชีวิตไปสู่ความสุขความเจริญ ไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดท่านไปได้เพราะท่านมีความขยันหมั่นเพียรท่านมีความเข้มแข็งอดทนที่จะพยายามผลักดันให้ตัวเองทำแต่ความดีพยายามต่อสู้กับการที่จะไปทำบาปแล้วก็พยายามต่อสู้กับความอยากต่างๆ ด้วยการปฏิบัติธรรมความอยากนี้เราต้องใช้การปฏิบัติธรรมเราถึงจะสามารถที่จะกําจัดความอยากให้หมดไปจากใจได้การปฏิบัติธรรมก็คือการควบคุมจิตใจควบความคิดของเรานี้เองความคิดของเรานี้เป็นตัวที่จะผลักดันให้เราไปเกิดความอยากต่างๆ ถ้าเราควบความคิดไม่ให้คิดไปในทางที่ทำให้เกิดความอยากความอยากก็จะไม่ปรากฏขึ้นมาถ้าเราปล่อยให้คิดไปในทางความอยากมันก็จะเกิดความอยากขึ้นมาคิดอย่างไรจึงจะทำให้ไม่เกิดความอยากเช่นให้เราคิดถึงความแก่ความเจ็บความตายถ้าเราคิดถึงความตายนี้เราจะไม่อยากได้อะไร ถ้าเราไปหาหมอแล้วหมอบอกว่าเป็นโรคมะเร็งจะมีเวลาเหลืออยู่ไม่กี่เดือนเราจะไม่คิดอยากจะไปหาเงินหาทองไปหาสมบัติข้าวของสิ่งของต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เพราะว่าเรารู้ว่าอีกไม่กี่วันเราก็จะต้องตายจากโลกนี้ไปแล้วสิ่งต่างๆที่เราหามาได้แทบเป็นแทบตายเราก็ไม่สามารถเอาไปได้ พอเรารู้ว่าเราจะต้องตายทีนี้เรามีอะไรเราก็อยากจะให้คนอื่นแล้วอยากจะทําบุญอยากให้คนอื่นมีความสุขเพราะเวลาเราทําบุญเรามีความสุขใจขึ้นมานี่คือวิธีสอนใจของเราให้หันเข้าสู่การกระทําความดีหันเข้าสู่การยุติความอยากต่างๆได้ ถ้าเราไม่หมั่นคิดถึงความแก่ความเจ็บความตายเราก็จะลืมไปว่าเราจะต้องแก่เราจะต้องเจ็บเราจะต้องตายพอเราไม่คิดว่าเราจะต้องแก่เจ็บตายเราก็เลยอยากจะได้สิ่งต่างๆอยากได้ลาบอยากได้ยศอยากได้สรรเสริญอยากได้ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายแต่เราไม่รู้ว่าต่อให้เราได้มาม า, มากน้อยเพียงไร เราก็ไม่สามารถที่จะไปยับยั้งความแก่ยับยั้งความเจ็บยับยั้งความตายได้และเวลาที่เราจะต้องเจอกับความแก่ความเจ็บความตายสิ่งต่างๆที่เราหามาได้ก็ไม่สามารถที่จะช่วยเราได้ไม่สามารถทาให้ใจเราสงบทาให้ใจเราไม่ทุกข์ไม่วุ่นวาย ไปกับความแก่กับความเจ็บกับความตายได้แต่ถ้าเราละลึกถึงความแก่ความเจ็บความตายอยู่เรื่อยๆก็จะทำให้เรานี้ไม่อยากได้อะไรจะทำให้เราอยากจะหาความสงบให้กับจิตใจของเราเราก็จะเข้าวัดได้เราก็จะปฏิบัติธรรมได้เราก็จะรักษาศีลแปดได้เราก็จะเจริญสติ พุโทโธพุโทโธไปทั้งวันได้เราก็จะนั่งสมาธิได้เราเราก็จะสอนใจให้ปล่อยวางได้สอนใจให้ยอมรับความจริงว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราร่างกายเป็นสมบัติชั่วคราวที่เราได้รับมาจากพ่อจากแม่แต่ร่างกายนี้เมื่อถึงเวลาแล้วเขาก็จะต้องบทสภาพไป เพราะร่างกายนี้ทำมาจากดินน้ำลมไฟแล้วถึงเวลาเขาก็จะแยกกลับคืนสู่ดินน้ำลมไฟไปไม่มีใครอยู่ในร่างกายนี้ร่างกายนี้เป็นเพียงเครื่องมือเป็นสื่อที่เราใช้ในการติดต่อกับร่างกายของผู้อื่นเท่านั้นเองดังนั้นถ้าเรามีการได้ปฏิบัติธรรม ได้เจริญสติอย่างต่อเนื่องเราก็จะสามารถทำใจของเราให้สงบได้พอใจของเราสงบแล้วเราก็จะสามารถสอนใจได้สอนใจให้เห็นความจริงว่าใจไม่ได้เป็นร่างกายผู้คิดนี้ไม่ใช่เป็นร่างกายผู้สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆนี้ไม่ได้เป็นร่างกายเป็นคนละส่วนกันผู้คิดผู้สั่ง ร่างกายนี้มารับร่างกายตอนที่แม่ตั้งครรภอยู่ในท้องตอนนั้นใจก็เข้าไปไปไปครอบครองร่างกายแล้วพอร่างกายคลอดออกมาก็สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆทำมาจนถึงปัจจุบันนี้แล้วก็จะทำต่อไปอีกจนถึงวาระสุดท้ายของร่างกายพอร่างกายนี้ บทสภาพแล้วใจก็ไปต่อจะไปไหนไปสูงไปต่ำหรือจะไม่ไปเลยก็อยู่ที่ใจถ้าใจยังมีความอยากอยู่แล้วก็ต้องไปถ้าไปถ้ามีบุญก็ไปสวรรค์ถ้ามีบาปก็ไปอบายไปนรกถ้าไม่มีความอยากอยู่เลยใจก็ไม่ต้องไปไหนอีกต่อไปใจก็จะไปที่พระนิพพาน ไปที่สิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดที่สิ้นสุดของความทุกข์ทั้งหลายนี่คือใจที่ไม่มีวันตายที่มาหลงยึดติดกับร่างกายแล้วก็มาทุกข์กับความแก่กับความเจ็บกับความตายของร่างกายเพราะไม่มีเวลาที่จะมาศึกษาความจริงของร่างกายมัวแต่ไปหาสิ่งต่างๆมามาเป็นสมบัติมาให้ความสุข เพียงประเดียวประดาเลยลืมไปว่าตนเองเป็นใครไม่รู้ว่าตนเองเป็นใจกลับไปหลงคิดว่าตนเองเป็นร่างกายพอเวลาร่างกายแก่ขึ้นมาก็เกิดความไม่สบายใจเวลาร่างกายเกิดความเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาก็ไม่สบายใจเวลาร่างกายจะต้องตายไปก็ยิ่งไม่สบายใจใหญ่แต่ถ้าเราไม่ ไปทำตามความอยากต่างๆไม่ไปหาลาบยศสรรเสริญไม่ไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเราก็จะมีเวลาที่จะมาศึกษาความจริงของของตัวเราของร่างกายเราก็จะสามารถแยกแยะได้ว่าอะไรคือตัวเราอะไรไม่ใช่ตัวเราด้วยการเจริญสติบริกรรมพุทโธพุทโธไปทั้งวันพอ เรามีพุโทโธทั้งวันได้เราก็จะนั่งสมาธิได้นั่งสมาธิใจก็จะสงบได้พอใจสงบเราก็จะเห็นใจที่แตกต่างจากร่างกายที่แยกออกจากร่างกายแล้วพอเรารู้แล้วว่าใจกับร่างกายเป็นคนละส่วนเราก็คอยสอนใจอยู่เรื่อยๆไม่ให้ลืมว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไป เวลาเขาจะแก่จะเจ็บจะตายก็ปล่อยเขาไปอย่าไปยุ่งกับเขาเพราะถ้าไปยุ่งกับเขาแล้วจะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาถ้าไม่ไปยุ่งกับเขาแล้วเราจะไม่ทุกข์เราสังเกตดูคนที่เราไม่ยุ่งด้วยนี่เราไม่ทุกข์กับเขาเลยเขาจะดีจะชั่วเขาจะเป็นจะตายนี่เราไม่เดือดร้อนแต่คนที่เราไปยุ่งด้วยนี่เวลาเขาเป็นอะไรนี่เราวุ่นวายใจขึ้นมา ท, าทันทีนี่แหละคือ ความวุ่นวายใจเกิดจากการที่ใจชอบไปยุ่งกับเรื่องของคนอื่นนั่นเองดังนั้นเราต้องมาสอนใจให้เราไปเลิกยุ่งกับคนอื่นเลิกยุ่งกับร่างกายที่ไม่ใช่ตัวเราของเราถึงเวลาต้องปล่อยให้มันไปถ้าไปอยากให้มันอยู่แล้วจะทุกทรมานมากถ้าปล่อยได้ใจจะสงบใจจะไม่ทุกข์นี่คือการปฏิบัติธรรมเพื่อที่จะทำให้เราได้หยุด ความอยากต่างๆเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปนี่คืองานของพวกเรานี่คือการกระทำที่จะนำเหตุที่จะนำผลที่ดีให้กับชีวิตของเราก็คือความสุขความเจริญที่จะตามมาตามลาดับสุขตั้งแต่ระดับของมนุษย์ขึ้นไปสู่ ระดับของเทพสู่ระดับของพรหมสู่ระดับของพระอริยะเจ้าทั้งหลายเกิดจากการกระทำตามที่พูดเจ้าได้ทรงสอนให้เรากระทำกันนั่นเองก็คือให้เราทาบุญละบาปแล้วก็ชำระใจให้สะอาดกําจัดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจถ้าเราทำแล้วรับรองได้ว่า